อปไดเงอ่นเงือยเงือยบทที่อีกบทที่อีกอีกสามแต่ชาชิงชาชาชิงชื่ออะ็รเนี่ยเหรอแกเนาะออใช่คุณพ่ เจอมผู้ยาญหัวมเอมยอตอนนี้ไม่ใี่ไกลอยู่เพื่อเจ็บจีบกัลื่อมากเบิ่งเยอะคุดอ้อยากเห็นน่ายู่นีเขาเห็นยังกัน <c oughs> ท่านจงมาลองดูเถิดมีขี้ร้ายสน เยอะแล้วก็คว<ม>ามสุขปัญญาที่ว่า น, นี้ก็เยอะด้วยแล้วไม่มีกฎไม่มีระเบียบอะไรเนี่ยอยู่ด้วยกันยังไงปกครองกันยังไงถ้าไม่กฎธรรมชาตินี่แหละธรรมดาใครนี่ใครมั่งที่ไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกเรามาที่นี่เพื่ออะไรมาเพื่อฝึกเพื่อฝืนตัวเองนะเราต้องรู้ตัวนี้นว่าพื้นฐานจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่รู้ตัวนี้เลย เราจะไม่สามารถทําอะไรต่อไปได้หรอกพอยิ่งตั้งกดขึ้นมาเยอะเท่าไหรไอ้กดนั่นแหละก็จะเป็นเกาะเป็นข้อเป็นกร อ, อ, อบล้อมเราอีกทีหนึ่งมันจะไม่เห็นธรรมชาติของจิตเลยแต่เราจะดําเนินไปอีกฝากหนึ่งแต่การไม่มีกฎนี่แหละธรรมชาติเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรผิดอะไรถูกเรามาอยู่นี่เนี่ยเราเป็นแม่ชีเรารู้อยู่แล้วว่ า, าต้องดําเนินไปยังไงมีข้อห้ามอะไรมัง่งมีใครมั่งไม่รู้ รู้ภาวนาคืออะไรอ่ะมาภาวนาคืออะไรภาวนาคือพัฒนาพัฒนาตัวเองนะพัฒนาใจตัวเองอะ่ะมันจะพัฒนาได้ไมหมละ่ะถ้าเราไม่เห็นความผิดพลาดเราไม่เราไปสร้างอะไรขึ้นมาเยอะๆแล้วเราก็ทําทําตามแล้วในสิ่งที่เราเอาตัวเราเข้าไปทํามันเป็นอัปตาทั้งหมด น, นะ แต่การปฏิบัติที่นี้ทวนให้เขามาเห็นธรรมาชาติของกายกับใจตัวทำงานตัวกิเลสภายในมันจะเห็นได้ง่ายกว่าตัวหีโอตปะนี่แหละคือแม่บทของศีลดูตัวเองดูตัวเองพัฒนาตัวเองศึกษาตัวเองจนเข้าใจจนเห็นแล้ว ว่ามันเป็นอะไรยังไงเหตุเกิดจากอะไรทุกทั้งหลายทั้งมวลเกิดจากอะไรเกิดจากตรงไหนแล้วกฎหรือว่ากรอบอย่าบๆเนี้ยไม่ใช่คือวานของความถูกต้องในการอยู่ร่วมกันนะคะมันถูกต้องจริงแต่มีที่ไหนมา้างอ่ะมีกฎหมายมีที่ถามว่ากฎหมายดีไหมเหมือนประเทศเราอ่ะ <c oughs> แต่ก็โดนล้นคุกเหมือนเดิม เพราะอะไรพออกิจสมนึกถ้าเราไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยมันผิดไปหมดนะประเด็นคือวกเข้ามาหาให้เข้ามาเห็นต้นเหตุว่าจริงๆคือเรามาทำอะไรกันเรากำลังจะทำอะไรกันตัวนี้แหละคือกอ่อทีนี้มีใครไม่รู้ว่า เหมือนเหมือนเรามาปฏิบัตินี่แหละเราเราอาศัยศรัทธาอาศัยการอยากพ้นทุกข์อาศัยสิ่งอาศัยการชิ้งภายนอกเพื่อมานุ่งหอมเพื่อมาศึกษาตัวนี้อย่างแท้จริงศรัทธาเนี่ยสําคัญมากนะแต่เราอย่าลืมเราอย่าสร้างเหตุผิดเราอย่าลืมเหตุ ที่เราเราทิ้งข้างนอกมาเราสร้างศรัทธาตัวนี้ให้มันให้มันหยั่งลงมั่นอ่ะเพราะศรัทธาตัวนี้ได้มันกลายเป็นความพอใจกลายเป็นฉันทะขึ้นมาพอใจในสิ่งที่เราทำนึกออกไหมเหมือนเหมือนเราพอใจในการเป็นนักบวชเนี่ยเหมือนเราพอใจในการประพฤติปฏิบัติพโมจาร์เหมือนคนข้างนอกเขาก็พอใจในการอยู่อย่างนั้นอ่ะ เราจะคิดขึ้นมาได้ยังไงคะในขีดเงื่ให้เป็นศรัทธาก็ น, นี่แหละเนี่ยก็ถึงพูดว่าเหมือนเหมือนเราเรามาพอใจเราทำอะไรเนี่ยโอ๊ต <c oughs> เหมือนเราสร้างเหตุสร้างเหตุอะไรก็อย่างเหมือนเปี้ยวเห็นเราเหมือนช่วยหรือของช่วยทำนั่นทานี่ช่วยช่วยทุกสิ่งทุกอย่างจนมันเป็นความพอใจจนมันเป็นศรัทธาจนเริ่มเริ่มแบบ เริ่มเพลินเริ่มมีปิติเริ่มแบบเหมือนได้เงินเนี่ยอะคือระลึกๆอยู่ปิติจะหล่อเลี้ยงทันดีเลยอใกล้ปุ๊บปิติตัวนี้จะหล่อเลี้ยงมันจะเป็นฉันทะมันจะเป็นล่าที่อย่างลงมั่นทีเนี้ยตัวปิติเนี่ยอย่าลืมนะตัวปิตินี่คือฌานสองมันจะหล่อเลี้ยงกันไปแต่มันไม่ได้ไม่ได้เตยไปใช่ว่าไม่ใช่ไปการไปนั่งเข้าลึกให้มันสงบแล้วจะไปดับ กิเลสในสมาธิในฌานไม่ใช่นะแต่มันจะผสมกันมันเป็นการเจริญฌานไปในตัวสมาธิแต่ละขณะแต่ละขณะที่ประกอบด้วยจัตฐานี่แหละที่อย่างลง ม, มั่นเนี่ยทํายังไงหลักฐานตัวเนี้ยจะเกิดกระพิจากความอยากพิกจากตัวปัญหาเป็นความพอใจมันอยู่ที่สติปัญญาเรานะที่จะมองทีเนี้ยเราจะพิกตัวเองยังไง อย่าลืมว่าเรามาที่นี่มาปฏิบัติมาศึกษามาเพื่อแก้ไขตัวเองอย่าลืมข้อนี้เป็นอันขาดเราอาศัยหมูคณะอาศัยให้มันเกิดประโยชน์นะอย่าอาศัยให้มันเกิดโทษอย่าเอาโทษเข้ามาให้ตัวเองดูตัวเองรักษาใจตัวเองเหตุทุกอย่างเกิดอยู่ตรงนี้เราอย่าไปรักษาภายนอกนะอย่าไปรักษาผิด ถ้าถ้าถ้ามันมีสัปทธายอย่างลงมั่นปีติจะหลอ่อเลี้ยงการทําสมาที่จะไม่ใช่เรื่องอยากแหละเพราะมันจะพอใจมันจะมันจะเริ่มเป็นอันเดียวกันอ่ะเห็นพอทีนี้พอพอกําลังจะนี้เริ่มเริ่มฝาดิ้นเริ่มต่อเนื่อง เ, เริ่มอยู่กัะล่มได้ดูความคิดทีนี้สิวขกหน่อถึงอยากถึงถูกใจถึงเราดูว่าหาย้ายตรงเนี้ หนึ่งเขาให้เจ้าพ่อใจก็จริงจริงแตเหตุเงินไช้สิว่าจากไหนแต่ถ้าเขาเห็นคุณประโยชน์นี่จริงจีิเขาเห็นปุ๊บมันจะเป็นศรัทธาอย่างลงในใจแล้วทนะันทีนั่นคือมุมมองที่เรามองเห็นในใจของเราในสิ่งที่เรากำลังทนั้นแหลทบมันจะเป็นศรัทธาที่อย่างลงในจิตแต่มันอาศัยการกระทําของเรานี่แหละไม่ใช่นั่งเพ่งเอานะการปฏิบัติแต่มันต้องกระทำด้วยกายวาจาใจทั้งหมดอ มันเป็นสิ่งเดียวกันเพราะสิ่งที่เราทำทั้งหมดเราทำให้คนอื่นอยากมีความสุขเนี่ยเราทำเพื่อหมู่คณะเราตื่นมาเราทำกับข้าวเพื่อถาวายพระเพื่อเห็นนี่คือทำไมบางคนแค่เห็นพระเยอะเห็นทีเยอะน้ำตาไหลเขาเกิดอะไรขึ้นปีติจิ ต, ตที่มันศรัทธามันอย่างลงมั่นปิติตันนี้จะรอเลี้ยงนั่นนีนเป็นองค์ชัน มันเป็นอันเดียวกันแต่มันตป็การเจริญฌานมันไม่ได้เข้าไปลึกเข้าไปกดไปทับอารมณ์ไว้แต่มันเป็นการเจริญ ร, รูญ้ๆูรู้แต่คนเราไม่รู้อะแต่ก่อนก็ไม่รู้ตัวนี้นะแต่คล้ายกับมาย้อนดูอ๋ออ๋อมันมันประมาณเนี้ยมันคือสิ่งสิ่งเดียวกันเสีนสมาธิปัญญาเป็นตัวเดียวกันทีเนี้ย ตีตีตัวนี้จะคิดดีทดําดีเห็นคนอื่นอ่อนใจเหมือนเหมนใกล้จงสาว้อยฟังหรอท้งในคิดตั้งเม่อสิหายเมื่อสิหายเมื่เห็นเนี้ยมันอ่อนใจมัน อ, อน่อนนะอ่าเพราะอะไร่ะเพราะทาเพื่อคนอื่นเยอะๆเหมือนกันนะใจใครที่ให้คนอื่นเยอะๆตีกลับหมดตีกลับให้ตัวเองนี่แหละมันจะเป็นมันจะเป็นกําลังขึ้นมาให้เราแต่เราไม่รู้หรอกในขณะที่เราทํา เราเสียสละได้เยอะเท่าไหร่เราทิ้งเยอะเท่าไหร่นั่นแหละเราได้เยอะเท่านั้นแต่ด้วยกิเลสมันจะหวงไว้มันหวงอันี้ก็ของฉันอันนี่ก็ของฉันมันไม่รู้พอารู้สึกว่าการให้อย่างให้วัตถุย่างเงี้ยมันเหมือนกับมันกำลังจะหมดไป อ, อ่ ะ, ะ, ะเพราะมันมันเหมือนหลงพ่อชาพูดไงไมีหินมีก้อน น, นถ้าจะถ้าจะวางทิ้งอรู้ต้อ ร, รู้นะว่ามันหนักแต่วางปุ๊บคือกูอไม่เหลืออะไรทิ้ง กูก็ยอมถือต่อไปอ่เพราะอะไรอ่ะเพราะความไม่รู้ชัดว่า น, นี่คือทุกข์แต่เมื่อใดที่เรารู้แล้วว่ามันคือทุกข์เราไม่ต้องบอกให้มันวางนะธรรมชาติเนี่ยเมื่อใดที่เราเห็นชัดด้วยสติปัญญาว่านี่คือทุกข์มันวางของมันเองแต่ปัญหาคือเราจะเห็นมันได้ยังไงนีสิเพราะเราอยู่กับทุกข์โดยที่เราไม่รู้จักทุกข์เลย เราเพลินไปกับอารมณ์และความคิดโดยที่ไม่รู้สึกว่ามันเป็นศัตรูเลยแต่เมื่อเมื่อใดที่เรารู้สึกว่านั่นคือของร้อนมันวางของมันเองทันทีปัญหาคือเรามสติทํายังไงสติเราจะตั้งมัน่นพระเจ้าสอนเรื่องล้มทีเนี้ยเลือกอาณาปณะสติเรื่องกรรมฐานป๊ดมันขึ้นมาห่อนนี่เด้งเด้ง <c oughs> <c oughs> ถามว่าเจตนาการมาลาคะได้อย่างไรครับเตนะการมาลาค่ะอย่างไรก็ต้องออกจากมันคืก็ลองมาสู้กับมันดูก่อนสักตั้งถ้าเรามีเจตนาที่อยากจะออกเดี๋ยวมันจะค่อยๆขับค่อยๆฝืนเดี๋ยวมันจะทํางานของมันเองหรอกตั้งสู้กับมันก่อนมันจะออกจากมันได้ไม่ด้วยใช่ไม่ใช่ด้วยการคิดแก้คิดมันจะออกจากมันด้วยสติปัญญา ด้วยกําลังชันด้วยกําลังสีลสมาธิที่ตนเองนี่แหละค่อยๆฝึกแต่ไม่มีทางที่จะเอาอสุภะมีอารมณ์ขึ้นมาตั้งอสุภะคิดแก้ได้แค่ชั่วข่าวแต่ดับอารมณ์ตอนนั้นได้ไม่จริงเพราะมันยังเป็นคิดแก้คิดอยู่ถ้าภาพนั้นภาพอสุภะเน่าเปื่อยค่ะมันติดจนจนมันเบื่อหน่ายนะคะไม่ใช่อันนี้มันก็ยังแก้ไม่ได้หรอคะแก้การไม่ได้คะ่ะ มันจะมันจะตัดตัวนี้ได้เพราะอารมณ์ชานนะจิตที่มีกําลังสมาธิเท่านั้นที่จะไปข่มที่จะไปดับอารมณ์พวกนี้ได้เพราะกําลังชานเนี่ยมันจะมีความรู้สึกตัวอยู่อ ย, อ ย, อยู่อยู่ทางเอออยู่ภ า, ายในอยู่ทางในมันจะเป็นความรู้สึกตัวอยู่อารมณ์ตัวนี้แค่วูบขึ้นมาปุ๊บตัวนี้วิ่งตัดทนันที มันจะไม่ได้ใช้ความคิดแก้ความคิดอะไรเลยแต่หน้าที่เราคือเป็นผู้ดูแต่กำลังสติกาลังสมาธิที่มันเป็นเองแล้วเดี๋ยวมันจะจัดการของมันเองเราจะเห็นเลยว่าอารมณ์พวกนี้น่ากลัวแท่าปุ๊บขึ้นมาแต่ละทีีไม่ใช่แค่อารมณ์พวกนี้อารมณ์ทุกอย่างน่ากลัวทั้งหมดแต่ทุกวันนี้เราไม่เห็นว่าอารมณ์น่ากลัวแสดงว่าหาท่างในมันยังพูดอยู่ว่า นี่คือของแนวของเหม็นแล้วก็เห็นเป็นภาพเลยนะคือคิดอยู่ใช่ไหมคะใช่มันยังเป็นคิดอารมณ์สมาธิจริงๆที่ที่มันเข้าไปดับอารมณ์ที่มันไปคลายวางกันลงได้มันไม่ได้ใช้การคิดนํานะแต่มันมันเป็นของมันด้วยกําลังที่เรามีสติมีสมาธิตัวเดียวกันนี่แหละ มันหล่อเลี้ยงกันอยู่แล้วเวลามันจะเห็นมันเห็นของมันขึ้นมาเองมันพิจารณาของมันเองแล้วมันก็วางของมันเองหน้าที่เราหน้าที่เดียวคือเพียงดูเพียนรู้อยู่กับฐานให้มากเดี๋ยวมันตัวสังเกตตัวภายในเดี๋ยวมันจะพลิกกลับไปกลับมาสมาธิกับวิปัสสนาจะสลับกันอาการต่างๆภายใน สภาวะจริงๆเยอะมากรายละเอียดทุกนี้เยอะมากดูลมเข้าไปชัดๆดูเข้าไปลึกๆจริงๆหัวนี้แน่นตึงติไม่มีทางความคิดมีทำงานไม่ได้เลยจะไม่ได้สงสัยเลยว่าความคิดมันหยุดได้ไหมหยุดได้ร้อยอร์เซ็นแค่กำลังทางตัวนี้ครอบเนี่ย ใส่เข้ามาครอบกับบรมยนแค่มันทำงานของมันอ่ะมันเป็นความรู้สึกตัวมันจะบล็อกทั้งหมดเลยหลังเนี่ยเี่ยเหมือนวันนี้เต็มเลยเหมือนอะไรเหมือนเต็มหลังเลยความรู้สึกว่าเหมือนอะไรไม่รู้หมุนยืดยืดเต็ม <c oughs> ทีพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บความรู้สึกมันจะอยู่ภายในการให้ออกมาพูดก็เลยเป็นเรื่องอยากเพราะมัน เหมือนเหมือนมันดึงกันเบ่งกลับไปกลับมานานัว น, นี้ก็ไม่รู้แต่ตอนนี้จะหนีที่แต่อยากนั่งดูเฉยๆของมันไปนั่งปุ๊บสมาธิเริ่มขึ้นไม่จะนังตาจิค่อยนักขึ้นนักขึ้นไม่จะสิอยากรับผมว่าคุยเรื้ยงลุงนะ คู่ลึงชั้นกับคูบ่ใบชายมันเลือบนอนวนเลยเป็นนางบึ ง, งนี่คำถามว่าจันคำถามค่ะถามว่าเวลาจะนั่งสมาธิชอบมีอาการปวดหลังทำให้นั่งได้ไม่นานจะต้องฝึกนานแค่ไหนถึงจะไม่มีอาการเหล่านี้ครับสมาธิจริงๆไม่เกี่ยวกับนั่ง ให้เข้าใจก่อนว่าสมาธิจริงๆคือความตั้งมั่นของจิตการนั่งอย่างเนี้คือเอาความละเอียดแต่เมื่อใดที่มีสติเมื่อนั้นจะมีสมาธิสติมากปัญญามากแค่ตามรู้รู้รู้ความรู้สึกอะไรก็ได้นั่งก็ได้ยืนก็ได้แต่เอาความรู้สึกผูกกระลมไว้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ลมสั้นก็รู้ลมยาวก็รู้อารมณ์อย่างนี้อมอย่างนี้อารมณ์อย่างนี้เป็นลมอย่างนี้เรืยอยงนี้ อย่าไปเอาความสงบเป็นสมาธินะอันนั้นเป็นความสงบของจิตเป็นพักอารมณ์มันเป็นสมาธอยู่สำหรับใครทำได้ทำแต่ทำไม่ได้รู้ไปเลยมีกรรมนิการนี่รู้รู้รู้ลงรู้ลงแต่ละขณะรู้ความคิดไปพร้อมๆกันทีเนี้ยจากมันพุ้งฟุ้งๆมากๆรู้ไปเลยรู้ไอ้ที่มันไม่สงบเนี้ย รู้ทันความไม่สงบเยอะยะเดี๋ยวความสงบจะมาเองแต่คนเราพอนั่งปุ๊บถามหาความสงบก่อนละอันดับแรกเพราะอะไรอาจจะสลับไปสลับมาใช่ใช่ค่ะคือถือว่าเราเราเราเรารู้ลมดู่อยู่ลมพอพอมันคิดไปปุ๊บเราก็รู้ว่ามันคิดพอรู้มันคิดก็กลับมากลับไปกลับมาอย่เราเราไม่ได้ดึงนะไม่เงินแต่แต่ด้วยสติที่มันอยู่กับหลักใช่มันจะเด้งกลับมาเอง แล้วระหว่างแล้วระหว่างที่กลับไปกลับมานั้นมันเกิดค้นรู้อ่อันนั้นคือปีติในขณะในขณะที่มันคิดเรารู้แค่ว่ามันคิดปุ๊บถ้าจิตมีฐานปุ๊บมันจะกลับฐานมันจะกลับกลับมาทันทีแต่ปัญหาคือเราอยากไปช่วยมันคิดอย่าไปคิดเพิ่มอ่ะเพราะมันจะมีความคิดแปลกแปกประหลาดขึ้งมาเป็นจะเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นมามั่งอันไม่ก็กลับมาเลยอ่ามันอย่าไปสนใจอันนี้เป็นรูปนอก เป็นความคิดทั้งหมดเป็นกระบวนการของความคิดเป็นระบบสัญญาทั้งหมดเลยตัดเลยกลับมาลมกลับมาลมไม่ต้องรู้ไม่ต้องให้มันมีเรื่องมีราวอะไรเลยตัดตัดตัดตัดตัดตัดจนมันเป็นความรู้สึกตัวเป็นพลังงานขึ้นมาทีเนี้ยจนเราจะเห็นเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยความคิดเราจะเห็นเวลามันดับลงเห็นไหมมันจะเป็นอารมณ์เป็นความคิดตึงขึ้นมาก่อนเราจะเห็นตอนมันดับลงแต่เราจะฝึก สุดเลยเห็นตอนมันเกิดทีเนี้ยอยู่กะลงไปอยู่กะลมไปเนี่ยพอพออารมณ์จะเกิดเนี่ยมันยังไม่เป็นอารมณ์ด้วยซ้าอารมณ์จะเนื่องกันด้วยความคิดเนื่องกันด้วยลมนี่แหละถ้าเราเข้าทันความคิดปุ๊บแค่มันกระดิกปุ๊บลมตรงนี้เปลี่ยนตั้งหวะลมตรงนี้เปลี่ยนทันทีเลย ด้วยที่มันจําสภาวะการเคลื่อนของลมได้นี่แหละในเงืนที่เราเรียนรู้ลมเรียนอย่างนี้นะเรียนตรงนี้เนี่ยมันจะกลับมาถานเราจะเห็นแล้ ว, ว่าตัวนี้ดับโดยอัตโนมัติทีเนี่ยแล้วทําอย่างนี้บ่อยๆ อ, อารมณ์ความคิดตัวนี้จะเกิดไม่ได้เลยทีเนี้ย เ, เ, เห็นปุ๊บดับปั๊บเห็นปุกดับปั๊บเลยตัวนี้เป็นพลังเป็นพลังงานหมุนอยู่ภายในเป็นความรู้สึกตัวเป็นสัมมาชันยะแค่าหายใจเข้าไปบอกความรู้สึกเต็มตัวเลยหยา แนนภาษาไทยบุคีลยังด้วยอย้างไม่ใช่จ้นค่ะอ่าคนที่ถามคำถามเมื่อกี้นะคะคือเขาถามว่าให้ทันความปวดแล้วความปวดจะหายไปใช่ไหมครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งคือให้กำหนดว่าปวดหนอปวดหนอไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ จะต้องเชื่อตันไหนเนาะเพราะเพราะว่าสัญญาฟั่งมาแน่แนแบบมาสั่นแต่ว่าสังเกตียดใจจะของก็ต้องไปสังเกตียดอย่างอื่นไม่ต้องไปสังเกตอย่างอื่นเลยไม่ต้องไปกําหนดอะไรมันทั้งสิ้นเดินลไปเลยไอ้ที่มันเป็นเนี่ยความปวดจริงๆมันอยู่ตรงไหนถ้ามันปวดมากก็ลุกเดินสิการข้าเมเวทน า, จ ร, า, า, นาจริงกี่เหลือไม่ได้เกิดที่ขานะอย่าลืมเกิดทุกจุดข้าเมเวทนาเราไม่ได้ไปข้ามตรงนั้น เวทนาจริงๆเนี่ยคือความขับเคื่องใจอยู่ข้างในเนี่ยดูเข้าไปตรงนี้น่งถ้ามันนั่งเงี้ยเราก็หรือรอาจใครอาจจะทำอย่างอือ่นฟื้นตัวนี้ข้ามได้เบาแต่หนูสังเกตเห็นเลยนะข้าเวทนาถ้าจิตมีเวทนาความปวดความไม่ไม่มีทางเข้าสมาธิได้ทำไมเราต้องฝึกตั้งแต่ตอนนี้นไม่เป็นสังเกตเห็นอาการคนป่วยเนี่ยเวลามันเจ็บปวดมากๆ ม, มันไม่มีทางนะ ประคองเข้าตัวนั้นไม่ได้หรอกแต่มันจะเข้าได้เพราะความเคยชินทำบ่อยๆนี่แหละมันเป็นการหลบหลบเพราะมันไม่มีความรู้สึกกายแต่มันจะเป็นการชินเพราะมันไม่ไม่ไม่ไมออกมาเรียนรู้รูปนามไม่ออกมาเรียนรู้ขันมันเลยไม่มีปัญญามันเลยเป็นการไปแช่อารมณ์อีกทีนึงแต่แค่รู้ไม่ต้องเข้าลึกแค่รู้แต่ลขณะขณะขณะ น, นี่แหละ คณิกะเนี่ยศีล ส, สมาธิปัญญาอยู่ตรงนี้มีสติศีลก็มีเหมือนเหมือนก็ถามว่ารักษาศีลเนี่ยรักษาศีลศีลสองรอยยี่บเจ็ดชิ้ น, น, 200, นเท่าไหร่ก็ช่างเหมือนรักษาศีลห้ามันรักษาได้ไหมเปี้ยวคนเราส่วนใหญ่รักษารักษายีลมันรักษาได้แค่กายกับวาจานะ แต่ตัวใจตัวความปรุงแต่งตัวโมโนตัวความคิดเนี่ยต่อให้นั่งใส่ชุดขาวมันก็คิดด่ากันนะมันไม่ได้เป็นศีลกับเรานะมันไม่ได้บวช ด, ด้วยนะจิตเนี่ยถ้าเราไม่ฝึก <c oughs> แต่ทำยังไงเราจะเท่าทันมันละ่ะความเป็นอธิศีลเกิดตรงนี้ทีเนี้ยสติที่เท่าทันความคิดเท่านั้นถึงจะเป็นศีล พอสี่บริบูรณ์สติบริบูรณ์สมาธิปัญญาย่อมบริบูรณ์มันคือสิ่งสิส่งเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้ได้ค่ะสงสัยค่ะสงสัยหล่นเนี่ย <c oughs> <c oughs> ให้เราเล่าได้ไหมคะได้ค่ะเราเล่านะคะอ่าดิฉันซื้อว่าน้นองค่ายศรีรัตน์ซือเรียญซื้อว่าแย่เบย์ค่ะจ้า อขอเรียนถามไม่คูว่าอย่างกรณีที่ว่าเมคูอธิบายไปกับดิชั่นกัน้ำมานิดหย่อนใส่ใ จ, จของนะค่ะว่าการผูกยึดใส่ลมหายใจเขาออกกะกับเท้าใส่บริกรรมพุทโยในการผูกกับล้มหายใจเขาออกเท้าควรจะยืดอันใด ดีคัะหรือว่าได้คือกานแนถ่าถ า, ถามเนี่ยเคยเคยพูดโทษมากไหมเคพุดโทไปเลยว<ห>่าบัง ว, ว่างเพราะว่าอย่าง<ไ>พูดโทคือไม่ให้มันคิดพูดโทบ่ให้มันผิดไปอย่างอืน<ค>่นหายใจเขาพูดหายใจออกโทษ้าจ็ตที่มันเลิมนี้สมาธิทามันเลิมเป็นสมาธิเดี๋ยวไม่ใว่างพูดโทอเอง่มหายใจขเขาเห่วออกยห่ยวมาสิเขาพูดออกโทเขาพูดออกโทเอาแต่หน้ามันชีศร้าพุดโทมันีศร้าว่าพุดโท มันสิคอยสมาชิม่่คอยละเอียดถี่แมจะเล่งมันสิกสิคอยว่างว่าให้าหู่ห่ตามพัวห่ทุกอย่างเอาจิตกระเล่นมีถูกใช่ก็เลยเพราว่ามือซื้อตัวใหย่ไม่ขาดทำแม้วขาดปุ๊บไม่สิลุดขออนุญาตน้เลี้ยถามต่อค่ะถามว่าน่งยูนีกรยญาณามิตรดีพร้อมเทียบเรียบลอยดีค่ะเหมาะสมในการปฏิบัติ ส่วนดิชั่นอยู่ในทางโลกลอยเปอร์เซนค่ะจ้ะลอยเปอร์เซนตที่นี่ในการปฏิบัติยกตัวอย่างเมือ่อคืนเนี่ยเสียงเจ้าบ่มีนะคะดาวของอยู่ตัวหนึ่งแต่ว่าส่วนดิชันที่อยู่้างบ้านจะมีเสียงมาทุกอย่างนะคะดิชันคิดว่าการปฏิบัติ่า จะให้แม่คู่ทีเนี่ว่าการจะในอกและไผ่ไม่เนี่ยไม่ไม่ไม่ถ้าต้องอาศัยสถานทีเขาจะเห็นเลยว่าสถานทีสําคัญแห่งยิ่งไปทั้งไดในด่านสถานทีค่ะสบายทามแบบนี่ค่ะโอ้เจ้าว่าเลยว่าพคนฉี่ดคนฉี่ไปเด้เงื่อนผาต้นไม้เห็นว่าล่ะต้นบริสีเขาบ้านเด้เพราะฉะนั้นสถานทีถึงสําคัญแห่งกายฤเวกเด้ ได้เวกได้จเป็นชีวิเวนัมอาศัยมันหนุนกันมันเนือนกันถ้าเฮ้าอยู่คนหลายได้เงอยกับผัวอื่นลูกอิ่นผู้นั้นอิ่นเสียงกันนั่นเสียงอันนี้สามารถที่จร่งที่รบกวนมันจะขึ้นเสียงชาติมันที่เขาบดาย่อนเสียงมันสิตบดเสียนเลยมันสิพุ่งออกไปข้างนอกตลอดเวละมันเลยต้องอาศัยอาศัยกนันไม่อยู่ผู้เดียวเพื่อยอย่างเพื่อที่เสียงเห็นมองหนีละ่ะ พอกําลังถี่ตั้งมันของห้ามันยังบ่มีมันยังควาสามารถแยกออกได้่าอีหยังเป็นอีหยังมันก็เลยต้องอาศัยสถานที่ที่เงียบเพื่อที่เซเห็นแต่ทําเมือนึงมันเริ่มเห็นแล้วมันจะสามารถออกไปปฏิบัติทั้งนอกได้แต่ว่ามันจะเห็นเด้ว่าอยู่นอกนี่นักบวงเป็นผ้าละแห้งเห็ดยากแห้งถามว่ากห็ด่ดดจเห็ดแดดแต่ว่าเห็ดหยาเพราะอย่างทุกสิ่ง ท, ทุกอย่างมันเจวกัน แต่ ก, กำลังเอามาน่นีมันจะถือข้างหอกดึงไปไปตามอารมณ์ไปตามพ้อมผิดข้างเงินพ้อยังเหรเป็นยังเป็นชื่อว่ามูขนาสำคัญกาขอุนคุณอยู่ใกล้ยังมันจะเสพอันนั้น<ต>คิดเนี่ย มีคำถามจากคุณวอลุทธนะคะถามว่ากาบแม่ชีเจิ้นครับขอความเมตตาขอแม่ชีช่วยเล่าสภาวะทรงชาด้วยครับทรงชาดทรงชานเอาเป็นเจริญชาดดีกว่าถ้าเขาไปลึกถ้าเข้าไปลึกลึกเกินไปมันมันมันเป็นในลักษณะหินทับย่อในลักษณะที่เข้าหนูหนุอัน น, นี้หนูพูดตามความรู้หนูนะหนูพูดตามความเข้าใจพูดตามความเข้าใจของตัวเอง ถ้าเราเข้าไป่มันก็เหมือนคนนอนหลับมันมันรู้อยู่แต่มันไม่สามารถที่จะไปไปดับอะไรในนั้นได้เพราะมันขาดอะไรขาดสติมันมันมันลุกเข้าไปอ่ะมันเลยแต่มันแต่ทีเนี้ยพอกลับกันถ้าเรามาทำทาเป็นในลักษณะการเจริญฌานมันจะเป็นจิตที่ครงฌานทีเนี้ยเพราะศีลสมาธิปัญญาเป็นอันเดียว ตัวรู้นี่แหละมันจะเป็นกําลังที่มันทรงทรงรู้ไว้อยู่อะไรเกิดขึ้นรู้รู้รู้ไม่เข้าไปนี่แหละทรงชันคำถามจากคุณท็อปยุทธนานะคะขอโอกาสถามนะคะบางวันนั่งภาวนาแต่ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงบางวันนั่งภาวนาแป๊บเดียวแต่ใช้เวลาสองชั่วโมงสิ่งนี้มันขึ้นอยู่กับอารมณ์ใช่ไหนครับใช่เป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกวันไหนที่มันไม่มีอะไรรบกวนมันวันไหนที่มันไม่ ไม่มีความคิดมากมันก็ได้อยาแต่สังเกตดูส่วนมากมันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเหื่อมกันนะแต่อาจไม่รู้นะแต่ละคนบางถ้าถ้าสมมุติเคยนั่งได้สองชั่วโมงมันก็จะออกสองชั่วโมงเป๊ะตลอดอาจจะเป็นบางคนคําถามจากคุณสุวรรณานะคะตัวรู้ตัวดูจิตว่าความคิดเป็นอย่างไรเมื่อเกิดความคิดหรืออารมณ์เกิดขึ้นมันดับเลยพอเกิดแล้วตัวดูมันจับเลยเหมือนเรา เหมือนเป็นเลด้าตัดปั๊บๆเลยค่ะจิตมันเข้ามาที่ฐานที่ว่างอยู่ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะถูกต้องหมุนๆอยู่ตลอดเวลาค่ะใช่ถูกต้องถ้ามันเป็นกําลังถ้ามันเป็นพลังงานแต่มันไม่มีความรู้สึกว่ามันไปตัดอะ้รแต่เป็นความรู้สึกตัวอยู่ภายในมันเหมือนใช้คำว่าใช้คําว่าอุเบกขามากว่ามันดูของมันอยู่มันมันมันเห็นแล้วว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะมันก็ดูของมันเห็นเห็นทุกอย่างเกิดเกิดเกิดดับเกิดดับอยู่แค่นั้นเอง คำถามจากคุณทิพย์สุดานะคะกาดถามเจ้าเจ้าค่ะพอจะตกเย็นเตรียมจะดูลมก็ปวดหัวมาอีกแล้ววันนี้ลองไม่ดูก็ปวดหัวแต่พอดูลมมาก็ปวดมาอีกแต่ก่อนดูก็ไม่เกิดอะไรนะเจ้าค่ะแต่มาเดี๋ยวนี้ปวดหัวมากยิ่งดูยิ่งปวดจ้าแม่ออืปวดปวดเลยให้มันปวดทั้งนี้ให้ปวดจนคุ้มตาเฉียวด็กปวดเวลามันปวดจะจัดเหมือนมันมีตัว ปวดเหมือนเหมือนมันมีตัวอะไรสักอย่างอยู่ในหัวเราแค่กระดุกกระดิกแรงมันมันมันเหมือนสวนน่รรค์ใชยหัวไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่มันเป็นผลที่เนื่องจากกานภาวนาขึ้นมาถ้าจะพูดแบบกูบาลยานพูดเหมือนหลวงดาพูดทุกมันเป็นสภาวะมันเป็นกรรมมันเป็น อะไรอะปรับธาตุของเราเนี่แหละแต่พวกเรื่องปวดหัวในส่วนใหญ่จะจะเป็นพวกกามมันจะบีบหัวอารมณ์แต่เราไม่ได้มีอารมณ์นะแต่มันบีบหัวบีบมันหัวจะแตกเลยอะเหมือนบางทีเหมือนขัชนชะเนาะเหมือนแบบเหมือนมันจะแตกแค่ได้อ่ะแค่เราหนักกว่านั้นเราไม่ดูลมมันก็เป็น ปวดจมูตามัวปวดจมูตาขาวนี่เป็นตาแดงเอา่าห้อสีปวดจํากแดงบวมตาเนี่ยมต้องงอถึงเลยกับบอกตาตีนแห้งก็ไม่ได้ขึ้นหัวแล้วในขณะที่เราไม่ดูงมันก็เก่งเต้นหวใช่อะไรมันเนื่องกันแหละมันเริ่มเป็นกําลังมันเริ่เม เ, เป็นเองมันไม่ณจุดหนึ่งการภาวนาไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณอยากปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติแหละถ้ามันได้สตาร์ตจิเนี่ยกําลังสติตัวเนี้ย มันจะทำงานของมันเองเดี๋ยวมันจะ้าทางออกหาทางทำของมันเองแต่ขึ้นอยู่กับสติปัญญาว่าใครจะม้วนจบหรือจบอไปให้มันเรื่อยๆต้องมาดูกิริยาภายในของตัวเองมาัญยาจิตข้างในของตัวเราล่ะทีเนี้ยเพราะสิ่งที่มันแก้สิ่งที่มันขึ้นมานั่นคือนิสัยเราล้วนๆมันจะมาแก้มาไขเราจะยอมเห็นแล้วเรายอมมันไหมหรือเราจะฝึกจะฝืนขึ้นไปเรื่อยๆ อย่าลืมนะการปฏิบัติสิ่งที่ขึ้นมาเนี่ยคือผลจากเหตุที่เราสร้างไว้เองทั้งหมดไม่ได้มีอย่างอื่นเลยไม่ได้มีภายนอกไม่มีใครสร้างให้เราด้วยปัญหาที่เราสร้างเองแต่พอเรามาปฏิบัติเรารู้ทุกมันชดใช้กันเรากลับไม่ยอมรับเรากลับหาวิธีเพื่อที่จะทําให้มันหายทั้งๆ ท, ที่ก่อนหน้านี้เรามาฝึกเพื่อจะเรียนรู้ตัวนี้น่ะตลกไหมพอมันขึ้นมาให้ดูเรากลับไม่เอา เราจะเอาหายพวะเจ้าสอนเรื่องทุกข์พอเราเรียนรู้ทุกข์เราจะรู้เหตุของทุกข์แต่ทุกวันนี้เราพอทุกขึ้นมาเราไม่เอาทุกข์เราปฏิบัติเพื่อไม่ทุกข์ไม่ใช่เหรอะใช่เหคะครูไหนสอนมึงคะพระเจ้าสอนสอนสอนเห็นไหม อายะศาจีคือทุกทุกเมื่อใดที่เรารู้ทุกทุกแง่ทุกมุมมันจะเห็นเหตุของทุกทีเนี้ยพอมันเห็นเหตุของทุกนะมันจะวางจิตที่มันวางนี่แหละเมื่อมันเห็นว่ามันดับนี่แหละมันถึงรู้ว่านี่แหละคือ ท, ทางแต่อยู่ดีๆแล้วก็ไม่ให้มันขึ้แต่ทุกวันเนี้ยเราจะเลิมมั เราจะเอาสิ่งเราจะเอาแต่สิ่งดีๆเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่ออยากพ้นทุกข์นะแต่เราปฏิบัติเพื่อไม่อยากทุกข์มันเดินคนละทางกันหรือเปล่าอันหนึง่งดำเนินไม่ได้จั้งหานะอันหนึ่งมักนะอันหนึ่งมักง่ายนะมัศหมือกันคำหั่นขะฆังสิงโจนนะคะบอกว่าอยู่กับตัวรู้เข้าออกอย่างเดียวทั้งวันทั้งปีใช่ไหมครัเช่า กิเลสก็ตัวเดิมธรรมก็ตัวเดิมแต่ทำไมเรามัมีสติอยู่กับลมเราถึงรู้สึกว่าฝุกว่าฝืนถึงทาไมต้องรู้สึกอดทนกั้มเกิือนอะไรกับมันมนะักหนาแค่อยู่กับลมทั้งๆที่มันหายใจอยู่แล้วร่างกายเนี่ยแค่เอาความรู้สึกมาอยู่กับมันทำไมมันทุกข์ขนาดนี้ทาไ ม, ไม เ, เพราะมันไม่ชินธรรมชาติมันชินในการไหลไปตามอารมณ์และความคิด มันเพลินไปตลอดมันออกข้างนอกตลอดเหมือนเราจับหมาเน่ยผูกไท้เสาเนี่ยมันเพลินไปมันดุ้งไหมล่ะใหม่ๆมันต้องขัดต้องฝืนอ่ะแต่เนี่ยเราจะไม่ยอมฝืนไม่ยอมทุกข์เลยผูกข้อใจมันอยู่เลยมันเป็นไปได้ไหมแต่ทํายังไงยึดเสาตัวนี้สัญญาตัวนี้สัญญาใหม่ที่เราทุ่มฝึกหัดเนี่ยให้มันมีสติอยู่กับลมเนี่ยมันจะเป็นสัญญาจำนวนเป็นเองเหมือนมันไหลออกไป ตามอารมณ์และความคิดเราแค่เปลี่ยนสัญญาใหม่นะเป็นผู้รู้เนี่ยไม่ได้เป็นผู้เสพอารมณ์เหมือนเดิมแต่ทุกวันนี้เราไม่ได้อยากเป็นผู้รู้ใช่จ้ะคะตอนฟังธรรมก็ <c oughs> นำไปปฏิบัตินะคะตอนนั่ง <c oughs> เริ่มแรกๆก็เอาสติถูกไว้กับลง <c oughs> ทำไปเรื่อยๆแล้ว มันไปถูกไว้กับอย่างอื่นผูกไว้ก็ดาาเขาหลนผิดแล้วมันประเด็นคือมันไม่รู้ตัวด้วยว่ามันออกจากลมแล้วอ้าวประเด็นใช่ถ้าถ้าถ้ามึงรู้มึงก็ไม่หลงเปรี้เมื่อใดที่มึงหลงมึงก็ไม่รู้เพราะมันมีอยู่แค่นี้แต่จับหลักเลยเมื่อใดที่รู้สึกถึงการมีลมหายใจนั่นแหละจบไม่ต้องไปเอาความรู้ความคิดความเข้าใจอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องเอาภาษาอะไรเลย ยิ่งไม่มีสัญญาเรื่องพวกนี้การปฏิบัติยิ่งเข้าสู่ภายในเห็นการทำงานของภายในได้ไง่ายเพราะนั่งไปซุบดูไปซุบความคิดผุดผุดเพราะอะไรเพราะอ่านมาเยอะอย่าลืมนะการอ่านการศึกษาเราได้อะไรเปี้ยวได้จได้สัญญาสิ่งที่เราได้จากการอ่านคือสัญญาทั้งหมดสิ่งที่เราได้จากการเรียนรู้เนี่ยคือสัญญาทั้งหมดนะฟังจากคนอื่นเนี่ย แต่ปัญญาจริงๆคือเราเพียงรู้ด้วยตัวเราเองทีเนี้ยเพื่นอื่นไม่สามารถให้ตรงนี้ได้นอกจากตัวงสร้างมันขึ้นมาเองพูด ไ, ได้อบอกได้แต่มึงต้องไปดูเองปัญหานี่่แค่ น, นี้รู้หมดแล้วเนี่ยอยู่กับมีนสติอยู่กับลมมันอยู่กับลมจริงไหมอะไม่อะค่ะ เ, ออเพราะว่าสังเกตดูอยู่กับลมแรกๆ แ, แล้วคราวนี้ต่อไปความรู้สึกจะมันชัดขึ้น ก็เ <One> ข <input> ้าใจว่าเราอยู่กับลมแต่พอมาคุยกับแม่ทิจเจนแม่ทิจเจนบอกว่ามันยังไม่ได้เชี่ยวเนื้อขอบางคนพูดว่ามีสติสติสติยังไม่ได้รู้นจ 0.1 เปอร์เซ็นของความมีสติเลยเพราะอะไรเพราะไม่เคยรู้สึกความมีสติจริงๆความตั้งมั่นจริงๆเป็นยังไงคือยังไม่ได้ยิ้มลดอาการตรงนี้ถ้าถ้ามันได้เสริมอาการตรงนี้นะมันจะวางของมันเองเลยเพี้ยวมันจะเห็นแล้วว่าทางตรงเนี้ คือความชัดเจนของมันมันจะรู้แ ว, ว่าตรงนี้คือของเย็นอะ่ะมันรู้แล้วว่าอารมณ์ความคิดคือของร้อนมันจะค่อยๆวางของมันเองแต่เมื่อใดที่มันยังไม่เห็นว่าตัวนี้คือของร้อนมันยังไม่วางนะใช่ไหมใช่เออแต่ทํายังไงอะ่ะความต่อเนื่องจึงได้บอกว่าที่เกลียดก็ทําขยันก็ทําอดทนฟื้นหน่อยวัวยางถือนอนย่างนี้นเนื่อยโดน อ, อันนี้ฟื้อนอารมณ์เนาะ คุณชัชญาทัพนะคะบอกว่าตามดูทั้งติ๊กต็อกทั้งเฟซเลยค่ะค่ะทั่วค่ะแล้วก็คุณชอธงสมชัยนะคะถามว่าถ้าคิดเกี่ยวกับการแล้วพอเรารู้ทันมันเหมือนเรื่องไม่ดีแล้วฝลืนไปจนมันหายไปเองทําแบบนี้ถูกต้องไหมครับไม่ขัดจังกระลมเลยเราอย่าไปยุ่งอะไรกับความคิดและอารมณ์หน้าที่เราอย่างเดียวคืออยู่กับลมหายใจลมสั้นรู้ลมยาวรู้ลมห ย, ยาบรู้ลมละเอียดรู้มันคิดมันหุ้งเยอะๆกั้นลมเลย ถ้ามันเอาไม่อยู่เล่นลมอย่างนี้แต่อย่าไปยุ่งกับอารมณ์เดี๋ยวอารมณ์จะค่อยๆหายไปเนี้ยความเกิดอารมณ์เราจะไม่ใช่อารมณ์หายไปความคิดเนี่ยความเข้าไปตึงในอารมณ์มันจะแยกออกจากกันทีเนี้ยเราเนี่ยรู้ลมหายใจอยู่แต่ตัวอารมณ์และความคิดมันจะค่อยๆยแยกเราเราจะเห็นมันอยู่ตั้งหากะเราจะเริเห็นเราว่ามันไม่ใช่เรา มันคิดเองเนี่ยมันทำงานเองมันทำงานเป็นเรื่องของคันแหละกนันเมื่อเราอยู่กับลมอ่ะขออะ <c oughs> ขออนุญาตขออนุญาตสอบถามเรื่องลมหายใจที่ฝึกกำหนดลมหายใจนี้เพื่อรองรับลมหายใจสุดท้ายใช่ไหมเจ้าคะได้ทุกอย่างถ้าเราทำจนชนานาญนะโควิดยื 19, บ่บนต้นบนต้นยานบริกินหรอก พอว่ามดตัวเล้ยแต่เลนก็เแลนวะนะคำถามจากคุณบารมีทานะคะถามว่าสาธุธรรมเจ้าค่ะขอโอกาสนะเจ้าค่ะแม่ชีดีทางรัดไหมคะหลักการปฏิบัติพอดีเมียการป่วยมาเป็นปีแล้วเจ้าค่ะขอพระคุณเจ้าค่ะกับคาตอบ ทางรัดผู้เจ้าก็ไม่ได้สอนทางรัดแต่เพราะผู้เจ้าสอนเรื่องเรียนรู้ลมนี่แหละทำมาโอสดจริงๆก็อยู่ตรงลมหายใจนี่แหละเข mm hmm. าจะพูดถึงเรื่องเรื่องพวกนี้มันมีนะอย่างหนูเนี่ยก็เป็นหอบหูเป็นภูมิแพ้เป็นแพ้พพสารพัดอย่าง mm hmm. แต่พอมามาอยู่อย่างเนี้ยมันหายหมดเลย mm hmm. ยาพ่นเนี่ยไม่ได้พ่นมาไม่รู้กี่ปีละแต่ด้วยการที่เราฝลูกต่อนเนื่องอยู่กับลมนี่แหละเดี๋ยวมันจะปรับทั้งหมด เพราะการมีชีวิตของเราเนี่ยความมีชีวิตเนี่ยตั้งอยู่ได้ถ้าลมนะถ้าลมดับเมื่อใดคือตายนะตัว น, นี้สําคัญที่สุดแต่เราไม่เคยเห็นสิ่งที่สําคัญที่สุดตรงนี้เลยเราไปหาอะไรกันก็ไม่รู้ไปให้ความสําคัญกับสิ่งข้างนอกทั้งหมดแต่สิ่งที่เขาเรียกอะไรอ่ะสิ่งที่การันตีว่าจะเป็นจะอยู่จะตายเนี่ยเรากลับไม่เคยเห็นด้วยซ้าไม่เคยดูด้วยซ้ำ แล้วองค์ประกอบข้างนอกมันไม่ใช่องค์ประกอบในการที่แบบส่งเสริมคุณภาพของชีวิตอะคะไม่มีทางจะไปเอาคุณภาพของชีวิตที่ไหน <c oughs> มันมีเหรอความมั่นคงมันมีจริงๆเหรอแม้แต่ขณะที่เราคิดอะไรตั้งไว้มันยังฉุดหมดเลยมีอะไรมั่งที่คิดไว้แลส้สมสมปรารถนาสมหวังอาจจะมีแต่น้อยเพราะ เราคิดความคิดความเห็นของเรานี่แหละมันดนําเนินไปผิดทั้งหมดแต่เราก็พยายามเหมือนกับว่าทําให้มันถูกเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นยิ่งอัตตามากเท่าไหร่ยิ่งเชื่อตัวเองมากเท่าไหร่คนนั้นก็จะมีความทุกข์มากเท่านั้นเพราะตัวอัตตาตัวที่ฉีดมานะที่อยู่ในใจตัวคับโลกนี่แหละเนี่ยมันก็แบกทุกข์สิมีเยอะยิ่งแบบเยอะแบกบเลย หลังไม่หักก็ไม่รู้จะว่ายังไงเลยมีคำถามนะคะกลับรียนถามค่ะการนั่งสมาธิจนลมดับบางครั้งบางทีนั่งดูลมแป๊บหนึ่งมันดับแต่บางทีนั่งเป็นชั่วโมงถึงดับแบบไหนถึงจะถูกทางการทําอานาปานสติไม่มีถูกมีผิดค่ะดูไปเลยมันดับก็รู้แต่ที่ลมดับคือยังมีสติรู้อยู่หรือเปล่าเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้ยังมีตัวรู้ตามรู้เข้าไปอยู่หรือเปล่า หรือมันขาดสติตกหลุดเข้าไปในภวงังถ้าถ้าเราสังเกต น, นะเวลาลมดับเนี่ยมันมันมันจะใช้เสตนาดับไม่ได้แต่บางทีดับเพราะหลุดสติออกไปแต่บางทีลมลมดับเนี่ยความรู้สึกเนี่ยยังเดินเลยนะรู้ลมสั้นรู้ลมยาวรู้พอพอมันเริ่มพอมันเริ่มละเอียด พอจิตเนี่ยมันเริ่มละเอียดมันจะเป็นสมาธิมันจะเป็นกําลังฟู<ม>ฟูเป็นเป็นกําลังปีติขึ้นมาลมจะค่อยๆละเอียดถ้าใครเคยบริกรรมพุทโธมันจะเริ่มวางมันจะเห็นแล้วว่าคําพูดอะ่ะมันจะเป็นของหนักมันจะเริ่มวางลมนีนจะค่อยๆสั้นสั้นสั้ น, ส, นสั้นจนเหลือยู่แค่ปลายกระทบแล้วความรู้สึกนี้จะจะหมุน<ม>จะจะเริ่มเป็นแบบนึ่ๆอยู่ภายในจป็นแบบแค่ลมนิดเดียวลมจะมีอยู่แต่ลมนิดเดียวนี่ น้อยมากอ่ะถ้าสติไม่ขาดมันจะตามรู้ทุกอาการเลยมันจะรู้ทุกอย่างที่เป็นบางคนทีพอมาถึงอย่างนี้ปุ๊บพอล ม, เ ร, มเริ่มหายมันจะเริ่มเป็นแสงก็มีเริ่มออกเห็นข้างนอกก็มีแต่ก็ไม่เป็นไรก็รู้อยู่เพราะมันยังรู้อยู่หรือมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็รู้อยู่นั่นแหละตัวกําลังตัวรู้ตัวนี้แหละสมถะตัวนี้แหละพอเราเอามาใช้ในระหว่างวันทีเนี้ย การจเจริญสติในระหว่างวันของเรามันจะสามารถรอยู่เกาาเรินได้ง่ายขึ้อนอ่ะเพราะมันเป็นกำลังมันมีกำลังแหละมันถือว่ามันมั น, ม, นมันต้องทำเช็คคู่กันไปทั้งหมดอ่ะคำถามจากคุณทวัตนะคะถามว่าจากแม่ชีค่ะได้ดูครูบาอาจารย์มาถึงสี่ห้าเดือนเมื่อก่อนนั่นสมาธินั่งฟุทโธเกิดสภาวะเหมือนหลวงตาบอกเราไม่เคยรู้จกักเราไม่เคยได้ฟังสภาวะที่เกิดเราปวดข้างหลัง แล้วเรื่อนเหมือนเส้นเอ็นเลื่อนแล้วจะวุบขึ้นหัวแล้ววาและจะกลัวตกใจจะลืมตาพอฟัง่วงตาแล้วปฏิบัติใหม่กับหน้าผากหมุนและหนักเหมือนลูกโป่งกดน้ำอุดอัดมากจะทำยังไงเจ้าคะง่ายังไงอุดอัดก็ดูอุดอัดไปเลยดูอุดอัดแล้วก็ใช้ผ่อน ล, ลมเอาอย่าลืมนะ้วมันมีอะไรขึ้นมาสภาวะทุกอย่างที่มันเป็นขึ้นมาเราอย่าไปแก้ แต่เมื่อใดที่เราอยู่กับลมมากเราจะรู้ว่าอาการอย่างนี้มันเนื่องด้วยลมอย่างนี้นี่คือเรียนอย่างนี้เหมือนเวลาหัวแน่นเอะๆเนี่ยภายในร้อนปุ๊บมันจะมีตะลมออกร่างกายมันจะขับเหมือนมันเหมือนมันเป็นท่อไอเสียเลยมันจะขับขับขั บ, ขบอารมณ์ออกอย่างเดียวจะเป็นลมถังถังเหมือนนเขาเรียอย่างเออพ่อนลมเออ มันลมมันคือมันจะลมออกมันจะลมเข้านรีเดียวเองแล้วลมจะร้อนกังเกตคําถามจากคุณปะไพ่นะคะากาดถามแม่ชีค่ะแต่ก่อนโยมหายใจเข้าพุดหายใจออกโทรทุกวันนี้พุทโทหายไปเหลือแต่ดูลมค่ะเมื่อความคิดมามา ก, มากๆโยนจะดูลมทีทีหายใจมันจะอึดอัดจุกที่ลําคอนั้นหนะ้าอกมากากาบสาธุค่ะถูกต้องเอ๊นี่แหละทำลม ทีเนี้ยพอมันเป็นอย่างงี้ปุ๊บหายใจเข้าช้าๆลึกๆก็ได้เปลี่ยนเพราะว่าธรรมชาติเนี้ยเวลาเวลามันเนียลมปุ๊บลมมันจะสั้นลมมันจะสั้นและร้อนขึ้นร่างกายเราจะเปลี่ยนนู่นนู่นกลุ่มทันทีแต่ด้วยสติด้วยที่เราฝึกลมทีเนี้ยเราจะใช้ลมลมเบายาวเนี่ยตัดอารมณ์ถ้าเราทําอย่างนี้ได้เรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเป็นสัญญาใหม่ใช่ไหมตัวลมวนี่แหละจะเข้าไปตัดอารมณ์ คำถามจากคุณนิตยานะคะถามว่านั่งดูลมแล้วทุกอย่างดับหมดตัวหายแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแสงสว่างนั้นไม่มีขอบเขตจําจ้ามากสภาวะนี้อยู่ตลอดคืนไม่หลับไม่ง่วงเป็นอยู่อย่างนี้กัางวันกัางคืนเป็นอาทิตย์ค่ะเอ็นจะเป็นในสินโมนอดดอกฟูผิดก็ให้มันเสียไปเดี๋ยวมันเป็นมันเป็นพักนึงแต่อย่าไปหลงถ้ามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันจะออกรูข้างนอกให้กลับมาฐาน อย่าทิ้งฐานมีอะไรเกิดขึ้นอย่าทิ้งฐานอย่าทิ้งลมอย่าทิ้งกรรมาฐานรู้รู้กลับมาลมมันจะสลัดอาการพวกนี้ทิ้งิงเดี๋ยวเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างที่มันรู้มันจะค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างใหม่ไปให้เรียนรู้เราไม่ได้แก้อะไรนะไม่ได้แก้อ ะ, นะแกอะไรเลยรู้อย่างที่มันเป็นเพราะนิสยัยแต่ละคนว่าจนะของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนนั่งไม่เคยเห็นอะไรเลยเอาดีไม่เห็นนี่เลยดี เห็นไม่พวกเห็นแต่เห็นก็ไม่ใช่ว่าอะไรนะเห็นก็เห็นก็รู้แค่นั้นเองคําถามจากคุณออสแอดนะคะกจับเจ้าค่ะนั่งฟังคำอยู่ก็ปวดหัวขึ้นมากคิดอะไรไม่ออกรู้แต่ว่ามันปวดหัวเจ้าคา่ะจับในความเมตตาเจ้าค่ะอันนี้ก็ปวดขึ้นกันปวดหัวนี่อนล่มพอน แต่ไปนั่งอยิ้หมองโล่งๆกลวงๆแน่บอกคว้ามู อ, มอซึบ อ, ออกไปแต่มันกับบ่ค่ายดอกอยู่กับมันจนชินนอยู่กับทุกข์ให้ชินแล้วจะไม่ทุกข์ไม่เคยทุกข์หายนะเราจะชินกับพุกขอาการทุกอย่างเหมือนเดิมดแต่ผู้เข้าไปทุกข์อะ่ะไม่เหมือนเดิมไม่ใช่คะทาไมเวลานั่งสมาธิน้ําตาไหลตลอดคะปิติ จิตที่มันเริ่มมีศรัทธาอย่างลงมัน่นมันจะเป็นปีติเป็นปาโมดขึ้นมาในใจจิตจะอ่อนจะเป็นกําลังขึ้นมาดูมันไปจูให้ทันอยู่กับฐานอยู่กับกรรมฐ า, านมันมีอะไรเกิดขึ้นรู้รู้รู้รู้ให้ทันความคิดของดีไม่ใช่ของไม่ดีหรอก แต่แต่ระวังเวลามันจะคิดไม่ดีทีเนี้ยให้ให้ให้รู้เท่าทันความคิดอะแม่ชีคะการนั่งสมาธิบางครั้งนั่งดูลมเมืถึงห้านาทีแล้วลมหายมันเร็วไปไหมคะไม่เร็วคะ่ะมันมันมันมันแล้วเดี๋ยวนี้ใส่แต่ไอ้ที่ลมหายเนี่ยประเด็นคือมันลุ้นเปล่าแค่นั้นเอง รู้นี่คือตัวรู้นี่ต่อเนื่องไหมตัวสตินี่ตามรู้ต่อเนื่องไหมหรือมันหายเข้าไปเลยจนมันมารู้อีกทีตอนถอนออกถ้าตอนนั้นคือมันตกเข้าไปในภาวางังมันจะไม่มีสติตอนนั้นคือเข้าสมาธิอีกตัวนึ่งเข้าภวางังแต่ถ้าลมหายก็รู้อะไรก็รู้มีอะไรก็รู้รู้รู้ลมสั้นตันนี้จะเป็นสติสัมปชัญญะขึ้นมาตัวนี้จะเป็นกาลัง เป็นคันนี้กะรู้รู้รู้ตัวนี้จะเป็นกําลังสังเกต ด, ดูว่าเราเป็นยังไงประเด็นคือความรู้ ต, ตัวรู้เนี่ยต่อเ น, นื่องไหมตัวสติเนี่ยการที่ไม่อยากสวดมนจะแก้อย่างไรคะอะไรก่อนการที่ไม่อยากสวดมนจะแก้อย่างไร<อ>คะไม่อยากสวดก็ไม่ต้องทววแก้โดยการไม่สวด <c oughs> อันนี้ก็บกเกิดด้เคยได้เปล่าจำูเขนานังสมาธิทั้ง้กนมีจตนอนเพราะอะไรอะ่ะหลักใหญ่ใจความประเด็นจริงคือความมีสติอาลีบบทใดก็ได้แต่คนส่วนใหญ่ถ้าไปนอนปุ๊บมันจะหลับเลยแต่หนูไม่หลับ <c oughs> มันจะเอาใครเป็นบาทฐานก็ไม่ได้เราต้องดูตัวเราเองแต่ถ้าเวลามันอย่างนั่งมันก็จะอยางนั่งของมันเองไงเนี่ย แต่แต่สังเกตดูเวลานั่งเนี่ยความรู้สึกมันจะละเอียดกว่ามันจะชัดเจนกว่ามันจะเป็นระบบ H D กว่าถือถือว่ <c oughs> อามีคําถามนะคะน่าจะเป็นพี่คนที่ไลฟ์สดเข้ามาถามคราวที่แล้วนะคะ <c oughs> ผมนั่งดูลมมาตลอดจนสติมันตั้งมัน่นจนลมมันสั้นบ้างยาวบ้างเราต้องทําอย่างไรต่อไปไม่ไม่ทํายังไงคะพี่ดูไปอย่างนัง้นแหละ ดูไปอย่างนั้นแหละพอพอสติมันเริ่มตั้งมั่นปุ๊บเราจะเห็นความคิดและอารมณ์แยกออกทีนี้ถ้าสติตั้งมั่นปุ๊บเราเห็นเลยว่าเวลามันคิดเวลามันตึงเป็นอารมณ์มันคิเองกระทบปุ๊บมันตั้งออกไปเลยแต่ด้วยสติที่ตั้งมั่นมันจะกลับมาฐานมันจะเห็นอารมณ์เนี่ยผุดฐานเห็นความคิดนี่เกิดดับเกิดดับเกิดดั บ, ดบ อารมณ์เนี่ยถ้าตั้งไม่ได้เลยแหละเพราะตัวสติตั้งมั่นกว่าถ้าเมื่อใดที่เราลงไปจมกับอารมณ์รู้ไเลยว่าเราขาดสติบางทีบางคนรู้แล้วนะว่าตัวเองอยู่กับอารมณ์ไม่อยากเป็นอารมณ์อย่างนี้แต่ไม่มีกําลังที่จะฝืนขึ้นมาเคยเป็นไหมรู้นะไม่อยากเป็นอย่างนี้ด้วยไม่อยากเป็นอารมณ์เทาๆมึนๆงงๆอย่างนี้อยากออกจากอารมณ์ตรงนี้ยแต่กําลังที่จะออกไม่มีเพราะอะไร เพราะคิดหาวิธีจะออกแต่กลัการแค่หายใจอยู่ทำความรู้สึกตัวขึ้นมาเลยมันซื้อไม่กี่ทีหรอกเดี๋ยวมันก็ออกคือถึงไม่มีกําลังแล้วก็สู้สุดลมหายใจลึกๆได้แต่เรารู<ม>้แล้วลว่าเราไม่มีกําลังเรากลับไปเพิ่มกําลังให้อารมณ์นึกออกไหมไม่อยากเป็นอย่างนี้เลยทําไ ม, ไมต้องเป็นกูกูทําไมคือมั น, น่นนะยิ่งคิดยิ่งยืดยิ่งเพิ่ม <c oughs> แม้นให้อาหารนั่นที่เขาบอกว่าแช่คับมันเกิดดับให้อาหารแต่เนี่ยบุเป็นตาเสืเตียดเลี้ยงมันไวเลนตัวเลี้ยงให้มันกับเจอเขาเดือย มันจีเรนจีเนมาโหลดกล่งองต่างรอบแม่ไม่ใช่ไอไลักษณะของการว่างด้วยสติปัญญากับไอไออาการแฉะว่างนี้มันต่างกันยังไงคะ <c oughs> เรานึกว่าเราว่างว่างว่างอยู่ต่างกันด้วยจ <c> ร <oughs> ิงเหรอว่างมดเ ก้าสติปัญญายงจริงเนี่ยคือมันมีความรู้สึกตัวอยู่มันไม่เคลื่อนออกไปตามอารมณ์และความคิดแต่อารมณ์ที่ว่างมันเคลื่อนออกไปเราสังเกตว่าเราหลุดฐานไหยเราเป็นรู้รู้ที่เคลื่อนออกไปอะเคลื่อนออกไปรู้มันเป็นอารมณ์ีทีหนึ่งถ้ามันว่างใครเราไปรู้ว่ามันว่างมันคือมันเคลื่อนมันหูเตะหูพี่ กูฝากกูฝากอีกทีนึ่งไม่ถึงไม่แช่า่างให้หนึ่งค่ะแม่รัดหนูนี่เป็นก้อนเลย <c oughs> เป็นก้อนเลย <c oughs> เ แล้วเป็นฝ่ายเดียวเด้แต่นอนมีสติตลอดนะคะเวลานอนมีสติหายใจเข้ายอะๆเอาความรู้สึกดันก็เลยเอาใช้ลมแก้คช่เอาความรู้สึกดันดันขึ้ข้างบนดันขึ้นบนแล้วเอารมณ้กระจายค่ะเอาความรู้สึกกระจายให้มันกระจายว่เพราะเวลามันปวดมันจะความรู้สึกเหมือนมันเป็นก้อนเป็นตัวเลยนะความคิดเนี่ยถ้าดูเข้าไปจัดความคิดขึ้นมาแต่ละทีเวลามันปวดหัวนี้รู้สึเป็นตัวไส้ในหัวเฮา ก็ไม่สีก็สูดเลยการที่เราแก้มันสูดไหคะแม่การที่เราจะพยายามแก้ให้มันแล้วาจะไปแก้มันค่ะแค่เราเรียนรลมผ่อนลมกระจายลงเรียนเรียนรู้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเด๋ยวมันจะมันจะค่อยค่อยบรรเทาของมันเองวันนี้เลยแก้ได้ลมมันเองแต่ประเด็นคือมันต้องเป็นอย่างนี้มันถูกต้องแล้วใช่ใช่ นี่คือเอาตัวความรู้สึกไปกระจายเพราะอะไรเพราะมันจะได้ไม่ไปไปธรรมชาติของจิตเวลานเป็นอะไรขึ้นมามันจะวิ่งเข้าไปจับอาการนั้นทีนี้เราดึงให้มันอยู่กับลมแล้วเอาความรู้สึกกระจายออกใช่ใ ช, ใช่เรียนรู้อย่างนี้เยอะๆแล้วความรู้สึกตัวนี่แค่แค่บางทีอาการนิดนึงเราหายใจเข้ายึดเดียวถ้าเรามีกําลังถ้าสติเริ่มมีกําลัง มันจะกระเทือนไปท่างกายเลยนะนี่้มันจะเบือเนื้อนี่คือตุกๆุ๊กุก๊เล ย, นเลยคนที่งูกหยาก เ, เลื้อดจากวิ่ไปบ่ใดเลยว่าทีนี้คำถามสุดท้ายจากคุณสมจิตนะคะขอโอกาสถามแม่ซีค่ะดูลมเข้าเวลาออกเหมอือนลมออกทางหัวและหูอุ่นๆค่ะเป็นเพราะอะไรคะกับสาธุค่ะมันมันออกได้ทุกๆุก รู้ <laughs> ไ, ม <laughs> ไม่ใช่แค่หัวหรือหัวความรู้สึกที่เป็นกรรมจริงๆ <ram at> ลองทำดูก็ได้ไปไหนามีรมมันออกได้หมดไม่มีรมมันจะออกได้ถ้าอะไรที่จิตคือความรู้สึก ไปนั่งดูอย่างนี้ได้เล้ความรู้สึกเข้าหรือวิ่งเข้าวิงา่งออกเลยลมเนี่ยตะกี้ชิดวันนี่แต่นในหนังจีนไปนั่งมือหลนเป็นยีหลีหายใจเข้าอีฟูบไหลออกไว้เข่าอีกเคือเริ่มลมนี้กำลงังดีหรือออกทั้งก็ได้ <c oughs> จริงจริงอันนี้ไม่ได้พูดเล่ไปทำดูก็ได้แต่รู้ว่ามันทํำได้จริงเราหายใจ ถ่าน่าท่านร่งนีก็ได้ความือศึกเอาคว้ามืึกนี่ยมู่าูเบ่าชวงหัว้วด้หายแช่ออกดังแค่ในมืดทานเรนร่มช่างที่มีรูอะคะใช่มึงมีรูไหนอะคือบงคับัูเลยบังับตนั้นเข้าหูวเอาลมขึ้นมา่ไว้ตรงนี้ อประกวดทุบหือค่อยๆลากมันสามครั้งมีแมงมันจะเริ่มเริ่มลิ่มพอห้าครั้งมีแมงไปแล้มันนี่จุดเด็ดไม่ใช่จุดเด็มีคนขออนุญาตขำหน้าแม่ด้วยค่ะแล้วก็เเอ่พี่นันท์ที่โทรไลฟ์สดมาถามนะคะบอกว่าลมมันทั้งสั้นลมมันสั้นทั้งเข้าและออกแต่เวลานอนกําหนดลมกายมันนิ่งจนเหมือนเราตายเลยนอกจากนั้นมันเหมือนอะไรดึงเราลอยเข้าไปในกลาง กลางกายผมตกใจจนต้องถอนต่อเราควรตามอารมณ์นี้ไปหรืออย่างไรครับถ้าถ้าสติมันมันมันมันมันตื่นใหม่ใหมมันจะตกใจเพราะมันไม่ตั้งมั่นอะไรจิตเนี่ยมันแตกตลาดนะถ้าอ่ถ้ามันเริ่มเริ่มเริ่มมีกําลังเริ่มจะสงบผมันตกภาวะปุ๊บบางคนเนี่ยมันสิเป็นอย่างขี่แบบเป็นประหลาดแห้งได้เปี่ยวล่ามันสิเข่าวแ่มสิดูดุกกระโดดไม่สิดีบอาเลยที่นี่ ทำมันบ่อยเกินไปมันจเป็นตายาดเอารงงานหนีน่ากลัวนะเวลามันจะเข้าเนี่ยมันคือจังนั่นถืดูดหอเขาไปใส่ตายาดหนึ่งบางเดือนคือจังนันถึกกระชากยิ้มย่านีงจริงๆแบบเัีซากเลยล่ะบางที่ตัวตายาดอะตายาดดีเราท่านที่จนเราทำอย่างนี้บ่อยๆเห็นมันอย่างนี้เรื่อยๆเวลามันจะเป็นเนี่ยลมมันจะสั้นสั้นสั้นมันจะอิดอัดแล้วมันจะเลือกออกไปเลยมันมันคือจังนั่นถือดูดอะ ลราเป็ น, นไปไหมสิย่ันย่านเราไมนก็สิกลับขึ้นมาไม่ก็จ่ อ, อมันเคยจนซันเพื่อแตกเลยล่ะจนไม่กล้านั่งสมาธิไม่ก็ทําเหมือนเดิมพอมันจนครั้สองสารครั้งมันความกลัวนี่จะเริ่มหายไปเริ่มพเพราะเจสติเริ่มรู้แล้วว่าอะไรเสืออะไรเพราะไม่ไม่เนี่ยมันกลัวเพราะสติเราไม่ตั้งมันเราไม่สามารถประคองสติข้ามอาการข้ามเวทนาตัวนี้ได้<ม>ทําอย่างนี้แหละทําแต่ทำทำอย่างนี้ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้ ไม่อ่ามีคำถามหนึ่งนะคะเมื่อกําหนดลมหายใจจนได้ชานสี่แล้วเราจะกําหนดการเข้าชานโดยใช้กสิณจะไวกว่าหรือไม่อย่างไรครับผมยาหวานจะผู้ขี้นนี่มันค่อนระลึกเต็มขวา ม, มิเล่ย์กันเลยพี่คนเมื่อกี้นะคะว่ายแค่ครับมันจะเกิดตอนนอนจะเป็นอันตรายไหมไม่ไม่ไม่อันตรายหรอกไม่อันตรายเพราะเพราะเพราะใช่มันจะมันจะชอบเป็นเวลานอน บางทีมันทําให้ดูเลยมันเหมือนมันมันทําให้เหมือนดูเลยว่าว่าเวลาคนจะตายมันจะมันจะมาย่งไรมันจะเหมือนเครื่องเอสรอะไรสักอย่างยื่งขึ้นมาความรู้สึกจะค่อยคหมดหมดหมดหมดหมดหมดแล้วมัาหยุดตรงหน้าอกเหมือนแผ่น๊ดไหลแล้วห้างสหายใจโบว์ลมหายใจมันสั้นสั้นส้นสั้นเราจะ้เลยว่ามันคือตายมันคือตายอีนี้เลยการปฏิที่เ้างมเค่อยเป็นมันมันควสามารถประคองอารมณ์ปฏิทานเข้าไปได้ สีดออกเลยที่เป็นล่าเป็ถุงเลยนั่นเถอะมันยากขึ้นหาขึ้นตาเหลืองอ่ะแต่บาทที่หนีพ่อไม่เป็นดูดูพ่อมันเห็บสื่อเยี่ยนชินแต่ว่าป่าเดนีคือมันมีเจตนาสิสิเหตุดึงของเกเวลาไม่ฉีดเป็นไม่ฉสิเป็นเองเราไม่สิสันสันกันสันเขาแังินละพ่ออ่ะแหละกขออนุชาธรรมนะคะบูชาธรรมนะคะท่านขุนโจรนะคะห้าร้อบาท แล้วก็คุณกนกวันนะคะหนึ่งร้บาทคุณลงรักสามร้บาทคุณป่อไทยหนึ่งร้บาทคุณโชทพิพัฒนหนึ่ง้บาทคุณนักจเอมมันเดย์หนึ่งร้บาทคุณวรลวุธนห้าร้อยบาทคุณบารมีธรรมนะคะสองร้บาทคุณพลศิษย์สอง้บาทคุณเพชรรีลงปั้นพระอุดรธานีห้า้บาทคุณสุวัลีหนึ่ง้ห้าสิบาทคุณแก้วลำปะทิวหนึ่ง้บาทคุณเกตประภาสอง้บาทคุณมังออนสอง้บาทแล้วก็คุณนักล้อมันนอกห้าสิบบาทค่ะ